ส่วนข้อต่อไปอีกนะข้อสุดท้ายบอกว่าเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิแทงตลอดยังไงด้วยทิฏฐิตัวทิฏฐิที่แทงตลอดกิจจริงๆคือมัคคัส ม, มาทิฏฐิเนี่ยนะคือมีใจรักสัมมาทิฏฐิในการบรรลุอริยสัจมากแปลแบบภาษาสภาวะเราคุ้นเคยกันก็คือพอใจมากถ้าจะได้บรรลุอริยสัจเนี่ยนะ รู้สึกมีความสุขมากถ้าจะได้บรรลุอริยสัจมานั้นเ็าเป็นผู้มีความรักอันไม่ปราศจากไปในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปโอ้รักบรรลุอริยสัจมากเนี่ยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์คือสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจนั่นเองแต่การเห็นอริยสัจเนี่ยมีอยู่สี่ระดับนะเห็นด้วยโสดาปฏิมาเห็นด้วยสกทาคามีมาเห็นด้วย อนาคามีมรรคเห็นด้วยอรหั ต, ตมรรคเพราะมรรคทุกมรรคทัศนโถใช่ไหมพราะมีอภิษว่าเห็นเนี่ยนะลูกกับพิสูจนทั้งหลายนิทศสาววัตถุเจ็บประการนี่แหละอันนี้เรียกว่าเหตุแห่งการไม่ปฏิสนธิใช่ไหมนี่ทศแปลว่าไม่ใช่สิทธิวัตถุปแปลว่าเหตุเหตุแห่งการไม่เรียกว่าสิทธมีอยู่เจ็ดประการก็แปลไปง่ายๆว่าเหตุที่ไม่ต้องทำให้เกิดอีกเนี่ยมีอยู่เจ็ดอย่าง ะซึ่งแต่ละอย่างเหล่านี้ก็คือก็ไม่พ้นการแทงตลอดอรรยศัพท์นะคงจะพอทบทวนนะว่าข้อแรกสิกขาสามก็เป็นมักใช่ข้อสองรข้ควรทำก็คือการทำปริญญาในทุกข้อสกํกำจัดความอยากคือก็กำจัดสมุ ท, ทยัยข้อสี่ยินดีในวิเวกก็คือยินดีในพระนิพานที่เป็นอุปธิวิเวกข้อหก็เริ่มความเพียรก็เพียรเพื่อบ ร, รุนนั่นแหละ ข้อหกก็ปริหาริยกะก ร, รมคือมีปัญญาบริหารตนนะ่ะนะให้เจริญกรรมฐานจัดสปายะให้ตัวเองได้อย่างต่อเนื่องข้อเจ็ดก็ปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจนั่นเองนั้นมีใจรักในคุณธรรมทั้งเจ็ดประการเหล่านี้เชื่อว่าเป็นเหตุให้ไม่ต้องปฏิสนธิอีกไม่ต้องเรียกว่าสิบไม่ต้องเรียกว่าเก้าแปดเจดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหรือแม้แต่คู่หนึ่งอีกต่อไป ก็ผู้มีคุณธรรมเหล่านี้ก็น่ากราบไหวแล้วนะถ้าเราเรียนเข้าใจนะเอาไว้เจริญสังขานุสติก็ยังดีสูตรนี้เป็นที่ประทับใจใครมีบ้างกันนะคือแต่ละสูตรนะปกติมันจะมีผู้ที่เรียกว่าตรงกับอัธยาศัยของตนของตนนะะแต่จากการศึกษาเราเห็นความหลากหลายของอัธยาศัยจริงๆว่าในการใช้คําเขาแต่ละคนเนี่ยนะมีความลึกซึ้งที่ไม่เหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวธรรมะเนี่ยนะผู้ที่แสดงธรรมทั้งหลาย จึงไม่ควรยัดเยียดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้ฟังนะนะก็ควรจะได้ฟังอย่างกว้างๆอย่างพิสดารเอาไว้นะซึ่งใครจะเอาไปเจริญไปปฏิบัติข้อไหนก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตนนะ้เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ยัดเยียดให้ใครเลยนะของเราก็ไม่ต้องไปอันนั้นหรอกคือไม่ต้องไปบอกว่าเชีย่ยเนี่ยอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่สูตรนี้ก็พอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องอันนี้ก็โหทําไมเก่งตาเนอะนะนะ นั้นก็ถ้าเก่งขนาดนั้นทำไมไม่ปรุงสูตรเดียวแล้วพระพุทธเจ้าของมายังนึกเลยนะทำไมไม่สรุปมาให้มันเหลือสูตรเดียวซะแล้วมาเรียบเรียงให้มันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวไปหมดเลยไม่ต้องไปเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามีเราคิดอยู่คนเดียวนะแล้วก็เอาตามพระพุทธเจ้าเถอะดีที่สุดแล้วแสดงว่าผู้ที่ฟังอย่างนี้มีการตรัสรู้มีอยู่พระองค์จึงแสดงนี่มาดูทำที่ควรรู้ยิ่งหมดแปดเลยนะ คำว่าอัฏฐอภิพายตนานี้อภิพายตนาแปดนี้มีความว่าอายตนะทั้งหลายครอบงําชาลเหล่านั้นฉะนั้นชาลเหล่านั้นจึงชื่อว่าอภิพายตนาะคําว่าอายตานานี้ความว่าชาลมีกสินเป็นต้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะคือชาลมีกสินเป็นอารมณ์กล่าวคืออายตนาะเพราะอัฏฐาว่าเป็นที่ตั้งอันยิง่งคือตัวกสินนี่เรียกว่าอายตนาะ อายตนะนี่โดยทั่วไปแปลว่าบ่อกเกิดใช่แต่ตรงนี้แปลว่าที่ตั้งอันอายตนะหมายถึงว่าที่ตั้งอภิพายตนะก็คืออ่าที่ตั้งคืออารมณ์มั้นนั่นแหละอธิบายว่าก็บุคคลผู้มีชาญอันยิ่งผู้มีชาอ่าผู้มีญาณแรงกล้าหรือผู้มีญาณอันยิ่งผู้มีญาณแก้วกล้าคิดว่าอันเราพึงเข้าใจอารมณ์นี้เพราะเหตุไร ภาระในการทําจิตให้เป็นเอกคตาไม่มีแก่เราหมายถึงว่าเขาเห็นอะไรเขาก็เข้าชานได้หมดนะนะเช่นถ้าคนได้ปฐวีเกสินเนี่ยนะมานัสิการแผ่นดินเมื่อไหรเ่เขาก็เข้าฌานได้เลย น, นะคือความสามารถขนาดนั้นแล้วก็สามารถครอบงำอารมณ์นั้นแล้วก็เข้าสมาบัติยังอั ป, ปนาให้เกิดในอารมณ์นี้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งนิมิตพอมีนิมิตปั๊บมนัสิการเข้าฌานได้เลยนะ ชำนาญขนาดนั้นจึงเรียกว่าอภิพายตนะฌานที่ให้เกิดโดยประการอย่างนี้ท่านเรียกว่าอภิพายตนะเรียกว่าฌานที่สามารถครอบงำอารมณ์ทุกอย่างแล้วเข้าได้ก็ผู้ที่เลิศอย่างนี้ก็เป็นพระไคพระโมคคัลลานะใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ในปากงูยังเข้าได้เลยนะแล้วก็ท่านเก่งมากนะไปดูในเรื่องนันโทป น, นันทา น, นาคราชใช่ไหมไปอ่านเพรกรคาฐานจะเห็นความสามารถของพระมหาโมคคัลลานะในการ เข้าฌานเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกสินนะ่ะทุกอารมณ์เนี่ยท่านเอามาเข้าฌานได้หมดเลยทีนี้การพิจารณาในเรื่องฌานเนี่ยนะมันก็แบ่งเช่นแบ่งเป็นธาตุกสินแบ่งเป็นวันณกสินคืออารมณ์กสินเนี่ยนะขออภัยอารมณ์ฌานก็แบ่งเป็นอะไราธาตุกสินใช่ไหมาธาตุกสินกับวันณกสิน ธาตุเกษณ์นี้มีอะไรบ้างก็คือปัทวีธาตุอาโปาธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุก็มีอีกสองอย่างคือภายในกับภายนอกภายในก็คือในอาการสามสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นปัทวีภายในนะเช่นอาจจะเข้ามณสิการผมแล้วเข้าฌานได้เงี้นะมณสิการเล็บก็เข้าฌานได้ มันอะอาโปก็ไม่ใช่การอะไรอารโปในร่างกายเนี่ยนะเช่นเลือดเนี่ยนะพวกเลือดพวกเส้มหาง ก, ก็เข้าฌานได้กวายโยแหละความเคลื่อนไหวในภายในเนี่ยนะก็สามารถเข้าฌานได้ถ้าภายนอกก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมส่วนวันณกสินเนี่ยเรียกว่าอันนี้ก็ธรรมดานะสีสีอะไรบ้างหนึ่งสีเขียวนี้ลก ะ, ะกสินสองปีตักกสินสีเหลือง แล้วก็โลหิตากษินอันนี้ก็สีแดงแล้วก็โอทาตกษินก็สีขาวอันพวกนี้ก็เป็นวรนนกเินอย่างข้อแรกเลยนะผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปในภายในเห็นรูปภายนอกเล็กน้อยมีวันณะดีและสามครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพา ย, ยตนะข้อที่หนึ่งหมายถึงคนนี้เนี่ยสาธยายอาการสามสิบสองมา สายายอาการสามสิบสองสามารถเอาอาการสามสิบสองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งฌานได้เป็นที่ตั้งแห่งฌานได้ทีนี้ตอนหลังเขาเห็นรูปภายนอกนะแม้แต่เล็กน้อยเขาก็สามารถเข้าฌานได้ไ น, นะอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เลวยังไงเขาก็ไม่เป็นภาระในการเข้าฌานองเข้าเลยนะเขาเก่งขนาดนั้นส่วนข้อที่สองผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณ มีวั น, นะดีและสามครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพาญตะนะข้อที่สองพวกนี้ก็อาศัยการเจริญกรรมาฐานภายในเป็นหลักตอนหลังก็พัฒนาเป็นกสินเนี่ยนะก็ตอนหลังก็สามารถเข้าฌานได้นะเข้าฌานได้ทั้งอ่าเรียกว่าเห็นอารมณ์ภายนอกใหญ่ก็เข้าฌานได้ข้อข้างข้างบนเนี่ยอารมณ์เล็กน้อยใช่ไหมเห็นอารมณ์ภายนอกเนี่ยเล็กน้อยก็เข้าฌานได้ข้อที่สอง เห็นอารมณ์ภายนอกเนี่ยยิ่งใหญ่ก็เข้าฌานได้ส่วนข้อที่สามเนี่ยนะผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในอันนี้พวกนี้แปลว่าไม่ได้เจริญไม่ได้เจริญอาการสามสิบสองไม่ได้พิจารณาภายในก่อนเห็นรูปภายนอกเล็กน้อยมีความมีวั น, นะดีและสามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายัจนะข้อที่สาม พวกนี้ก็เจริญธาตุกสินภายนอกไปเลยเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้มนัสิการอาการสามสิสองภายในอะไรส่วนข้อที่สี่ผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในคือไม่ได้เจริญกรรมฐานในอาการสามสิบสองภายในก่อนเห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณมีวันณะดีและสามครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพา ย, ยตนะข้อที่สี่ ผู้มีความสําคัญในรูปภายในเนี่ยนะเห็นรูปภายนอกเล็กน้อยเนี่ยพวกเขามีกระสิ น, นะพวกอารมณ์เล็กน้อยเนี่ยเหมาะกับใครเจริตอะไรนะพวกวิตรกกาเจริญเนี่ยให้อยู่กับอารมณ์ไม่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่หเล็กเขามีนัแบ่งตามจริญนะไอ้คาว่าเล็กน้อยกับคําว่าใหญ่เนี่ยมันเหมาะกับเจริตนะบางคนต้องกรรมฐานต้องเช่นบางคนนั่นเล็กเท่ากระดงก็พอบางคนต้องใหญ่จริงๆเท่าลานนวดข้า อ, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบอย่างน้อยที่สุดต้อง ถ้าเริ่มบริกรรมหนึ่งคืบสีนิ้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะใหญ่ขนาดไหนขยายได้เล็กขยายได้ใหญ่เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องจริตหมดอย่างพวกวันนะดีพวกนี้โทสะจริตนะคนโทสะจริตต้องกลับมนักสิการกลับอารมณ์เจ๋วๆหน่อยนะสวยๆหน่อยนะนะเพราะไม่สวยเพราะเห็นไม่สวยเห็นไม่ยากนะถ้าเจออารมณ์ดีๆหน่อยมันจะเจริญได้ถ้าอารมณ์ซามนี้จริตไหนราคาจริตเนี่ยนะพวกราคาจริตให้อารมณ์ซาม ก็พวกนี้สรุปว่าทั้งโดยจริตโดยอะไรทั้งหลายนะก็เกี่ยวข้องกันอันผู้ที่มีศรัทธาที่สนใจในเรื่องการเจริญกสินก็ดูได้ในวิสุทธิมรรสมาธินิเทศนะนะก็ซึ่งมีการอธิบายไว้ละเอียดพอสมควรถ้ามีศรัทธาจับปฏิบัติตามส่วนข้อห้าหเจ็ดแปดเนี่ยนะสี่ข้อหลังก็เป็นวันนะกะสิลเกี่ยวกับวันณกะสิล์เลยคือ ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปภายในคือไม่ได้กำหนดจากภายในอะไรมีเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรังสีเขียวเหมือนดอกผักตบอันเขียวเนี่ยนะดอกผักตบฉวานี่เขียวไหมมันออกจะม่วงๆเลอ่านั่นแหละเหมือนดอกผักตบแบบนั้นน่ะพราคำว่าเขียวไม่ใช่เขียวแบบใบไม้อ่ะนะมีวันนาเขียวล้วนมีรังสีเขียวหรือผ้าที่เกิด ผ้าที่กําเนิดในเมืองพารันสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรังสีเขียวแม้ฉันใดผู้หนึ่งก็มีความสําคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนรังสีเขียวก็ฉันนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพายตนะที่ห้าก็มีสีเขียวเป็นอารมณ์ ถ้าใช่อย่างนี้หมายความว่าฌานกี่ขั้นฌานหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยเลยนะในคําเดียวเนี่ยเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นอารมณ์ของฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ส่วนข้อหกเนี่ยนะปีตะกะกสินสีเหลืองก็คือมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเหลืองเหมือนอะไรเหมือนดอกกัิกาอันเหลืองเนี่ยนะก็ดอกกัิกาก็สีเหลืองอยู่แล้วนะก็มนสิการสีเหลืองเหมือนดอกกัิกา สมัยนี้ก็สีเหลืองก็ค่อนข้างเห็นชัดอะนะเนียนะดอกกาณิกาเนี่มันมันออกทองไหมตัวกา้านแต่นี่เอาตัวดอกเลยดอกกาณิกาก็ก็ออกเหลืองๆหน่นะก็พวกที่รักที่จะเจริญกสินก็ไปพิจรารณาอ่ะนะคิดทั้งหมดเนี่ยโลกนี้คือสีเหลืองก็มณสิการเอาคือมณสิการโดยความเป็นสีเหลืองนะพวกที่เจริญกรเรินกระรินกสินเนี่ยนะคือ คือเขารักสีเหลืองมากอะ่ะสามารถมีสีเหลืองเป็นอารมณ์แล้วสงบนิวรณ์ได้อะ่ะส่วนบางท่านนี่ยก็มีสีแดงอ่ะนะอย่างข้อเจ็ดเนี่ก็มีรูปอันแดงเหมือนดอกอะไรดอกน้อนไก่อ่ะนะดอกน้อนไก่สีแดงส่วนข้อแปก็ผู้ที่เจริญสีขาวเนี่ยนะพิจารณาสีขาวเหมือนดาวประกายพรึกดาวที่มันสว่างน่าจะเป็นแบบแบบไฟเขียวปะ่ะสว่างชัดอ่ะนะสีขาวแบบนั้นอ่ะนะ แต่ก็มีนัพระราชาพระองค์หนึ่งอ่ะมีอยู่ในห้องในวังอ่ะนะแล้วก็นั่งดูฝากําแพงวังตัวเองอะไรถ้าฝากําแพงปราสาทเนี่ยนะก็เข้าชาดได้เลยสีขาวะนะมนสิการสีขาวเข้าชาดได้เลยเพราะฉะนั้นก็แต่ละอย่างก็สามารถเข้าชาดได้นะสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวก็สามารถเป็นอารมณ์ของผู้ที่เจริญชาดแล้วก็เข้าชาดก็ได้เกิดตรงนี้เนี่ย บอกวิธีที่คนไม่มีไม่ได้สะสมมาเนี่ยนะอย่างในวิสุทธิมัชเป็นการเรียบเรียงให้คนที่ยังไม่มีอัจริยาสัยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะเธอไม่มีอัริยาสายจะได้ฝึกสักทีหนึง่งถ้าไม่สั่งสมอัริยาสายแล้วเมื่อไรหร่ละเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นการสอนลักษณะเพื่อให้มีอัจรยาสายถ้าคนมีอัจรยาสายเช่นอัจรยาศายในเรื่องกสินมาเนี่ยนะ เกษินดินเนี่ยเขาเห็นแต่ลานนวดข้าวข้าชาเข้าชาดได้เลยเขาเห็นเนี่ยรอยไถนะรอยไถที่มันพลิกดูเป็นลานเดียวกันเขาเข้าชาดได้เลยเขาเขามีความถ้าพวกมีบุญเก่านี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าข้อปฏิบัติตามวิสุทธิมรักเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยเพื่อสอนคนที่ยังไม่มีอัธยาศัยเพราะถ้าเจริญตามนั้นแหละนั่นแหละคือการเริ่มสร้างอัธยาศัยให้แก่เราเองถ้าอย่างเหมือนกับเราในสิกขาสามเนี่ยนะก่อนหน้านี้เรามีอัธยาศัยไหม นี่นีเพิ่งมาสร้างขึ้นเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเสิ่งเหล่านี้มันเป็นพาเวตาปธรรมนะเป็นธรรมที่เจริญขึ้นซะเนะี่ยะเพราะว่าพวกสมาธิเหล่านี้เป็นพาเวตาปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่ตัวอารมณ์นี่เป็นอภินัยยธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ ง, งนะรู้ยิ่งแล้วเข้าฌาญได้แบบพระพิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเราต้องระลึกถึงว่าพระพิสุสมัยก่อนที่อยู่ในป่าหลีกเร่นอยู่เนี่ยนะ เงียบๆทุกคนเนี่ยไปอยู่เหมือนกันนั่งเงาอยู่คนเดียวทั้งวันในกุฏิอ่ะซึ่งหนังสือมันก็ไม่ได้แพร่หลายแบบในยุคนี้อ่ะถามว่าไปนั่งทําอะไรถ้าบวชแค่เดือนเดียวมันก็ไม่น่ามีปัญหานี่บวชเป็นสิบยี่สิบสาสิบปีท่านไปทําอะไรกันเพราะฉะนั้นกรรมฐานเหล่านี้จึงมีความจําเป็นจะได้เป็นเครื่องอยู่ของท่านคือเพราะชานพวกนี้มันมันเป็นนิมิตเนี่ยนะมันเป็นนิมิตเกิดขึ้นเช่นเช่นเขาเห็นเป็น เช่นเอาดินสีอรุณมาเนี่ยนะอดินสีอรุณมาเนี่ยก็มาจะมาแ ป, ป้นเป็นเป็นรูปวงกสิณแล้วก็เรียกว่าตาดูใจเพ่งปากบริกรรมเนี่ยนะก็บริกรรมไปเรียกว่าปาปากเออตาดูปากว่าใจคิดเนี่ยนะก็คิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ท่องอันนะเช่นปฐวีกสินังปฐวีกสินังเนี่ยนะ คนที่จะเจริญอย่างนี้ก่อนนะ่ะก่อนหน้านี้ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ให้พิจารณาโทษของนิวรณ์พิจารณาเห็นโทษของอพวกตามมาฉันทานนิวรณ์เป็นต้นเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็พิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อที่จะ เ, เก็บภาพอันนั้นแล้วก็ระลึกถึงจําภาพอันนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าภาพอันนั้นหลับตาลืมตาจะเห็นเท่ากันนะไปที่ไหนก็จะมีภาพอันนั้นตลอด ทีนี้ถ้าภาพนั้นมันชัดขึ้นจะเริ่มย่อก็ได้ขยายก็ได้นะขยายภาพย่อภาพอะไรยังไงก็ได้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็พอภาพนั้นก็จะประณีตขึ้นประณีตขึ้นแล้วทําจิตให้เป็นอัปปนาในอารมณ์นั้นจึงจะเป็นการเข้าฌานที่ที่เป็นกสินย่างไ้ได้แต่ถ้ามนานสิการโดยความเป็นธาตุทุกอย่างเป็นธาตุไม่ควรไปคำนึงอันนั้นก็จะเป็นการเจริญลักษณะจาตัวธาตุ ว, วัฏฐานไม่ใช่กระสิน คือการเจริญกสินกับจตุทาตัวะวัฏฐานเนี่ยคนละกลุ่มกันเพราะว่าพวกเจริญกสินเนี่ยนะมันเอานิมิตเหล่านี้มาย่อมาขยายได้อย่างวิธีที่พระองค์สอนในสุญตาสูตรเนี่ยนะคือเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างเนี่ยอย่างเช่นว่าตอนนั้นพระองค์แสดงที่วิหารปุปพารามพระองค์บอกว่ามนานกสกการว่าในวิหารเนี่ยนในปราสาทเนี่ยว่างจากใคร ว่างจากครหัสหญิงชายเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเนี่ยใส่ใจโดยความว่างเป็นลำดับแรกต่อไปก็ใส่ใจว่าไม่มีใครอยู่สัญญามนสิการว่าเป็นป่าว่างจากคนจากสัตว์แล้วก็มนุษการว่าว่างจากต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดมีแต่แผ่นดินเหมือนแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นหนังกลองเนี่ยนะที่ขึงขึงไว้อะเรียกว่าปักหลักร้อยหลักเนะนี่ยนะหนังมันตึงนะมองเห็นแผ่นดินเนี่ยมันเหมือนหนังกลองทั้งหมด แล้วก็มรณสิการอันนั้นจนเข้าฌานทั้งสีได้แล้วก็เพิกอันนั้นเป็นภาพอันนั้นทั้งหมดเป็นอากาศเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นความว่างที่พระองค์แสดงไปโดยโดยลําดับที่เรียกว่าผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยน้อมมรณสิการอย่างนั้นก็สามารถที่จะเข้าฌานได้ทันทีซึ่งพวกที่จะเจริญกระสินทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งโดยอารมณ์เนี่ยมันสามารถย่อดได้ขยายได้เพราะไอ้ย่อได้ขยายได้นี่แหละมันจะตามมาด้วยทิฏฐิบางอย่าง เช่นว่าโลกมีที่สุดกับโลกไม่มีที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าเพราะพวกนี้ขยายกสินถ้าพวกใดขยายกสินได้วงแคบพวกนี้ถือกสินว่าเป็นอัตตาหรือชามที่มีกระสินนั้นเป็นอัตตาก็จะชื่อว่าอัตตามีที่สุด mm. พวกขยายได้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สุด mm. ก็เรียกว่าอัตตาไม่มีที่สุดทีนี้บางทีก็ขยายขึ้นบนขยายขึ้นบนมีที่สุดขยายขวางไม่มีที่สุด okay. ก็มาบอกว่าบางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุด ก็จะเป็นพวกอันตานันติกะทิฏิเนี่ยนะในในพรหมชาลสูตรจะแสดงพวกอันตานันติกะทิฏิพวกนี้เกิดจากการได้ฌานได้กสินได้ฌานนกสินเนี่ยพวกนี้ตามด้วยกลุ่มสัตตากทิฏินะพวกอันตานันติกะทิฏิก็ยังเป็นพวกสัสตาทิฏิเราก็ถือว่าคุกพวกที่หนึ่งโลกมีที่สุดคือหมายถึงดวงกสินเนี่ยนะเขถือดวงกสินอันนั้นเป็นโลกสองโลกไม่มีที่สุดเพราะมันขยายได้ไม่มีที่สุดข้อสาม ขยายขึ้นบนขึ้นล่างมีที่สุดขยายขวางไม่มีที่สุดอย่างไงพวกที่สี่เป็นนักเดานะนั่งกะกะเอาเป็นอย่างนั้นแหละก็เลยว่าเป็นนักตรึกกัยนะก็จะเป็นพวกกลุ่มอทิฐิสีเรียกว่าอันตา น, นันทิกะทิฐิเพราะว่ากุกพันต ะ, ะนะกุกพันตะทิฏฐิทั้งหมดมีอยู่สิบแปดใช่ไหมกุกพันตะทิฏฐิทั้งหมดมีสิบแปดก็คือพวกสัตตทิฏฐีสี่ เอกจัตสสติถิฐิสีอันตานันติกะทิฏฐิสเเีเรียกว่าอมราวิเคปะนะพวกประหลายอีกสอธิจัสมุปปณะทิฏฐิอีกสองพวกนี้เรียกว่าปุปปันตะทิฏฐิสิบสบ ป, ประการแั้นก็พวกเกี่ยวกับเรื่องกสินเนี่ยนะถ้ามีความเข้าใจนั้นมันจะสัมพันธ์กับเรื่องทิฏฐิด้วยเรื่องเรื่องพวกทิฏฐิมันจะเข้าพวกตระกูลกลุม่มพรหมชาลสูตร แล้วก็ผู้ใดมีอัธยาศัยในการแท่งกสินเนี่ยนะซึ่งเคยไปพบพระพิสุบางแห่งเนี่ยนะท่านชอบดูกสินนะท่านชอบดูภาพกสินแต่ว่าการเจริญเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าบางบางกลุ่มจะชอบทําภาพกสินไว้ข้างๆฝาในกุฏิแล้วจะนั่งดูเป็นธรรมดาของท่านท่านมีความสุขที่จะดูแบบนั้นคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคิดแบบนั้นเป็นการมั่ววิตกไหมคิดจะเอาไหมเห็นไหย เห็นภาพกสินเนี่ยภาพกสินเนี่ยดูสีนะที่จะเอาสีอันนั้นไหมไม่มีสองพยาบาทวิตกมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นการเจริญพวกนี้เนี่ยเขาต้องการสร้างกําลังใจมาท่วมทับนิวรณ์เพราะว่าปฐมฌานเนี่ยจิตของปฐมฌานก็คือการชําระนิวรณ์หรือละนิวรณ์เพื่อจะท่วมทับนิวรณ์พวกนี้เห็นโทษของนิวรณ์ก็เลยมุ่งไปหาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเจริญเพื่อจะได้จิตมีกําลังท่วมทับนิวรณ์ จะได้เป็นบาตรฐานในการพิจารณาอริยสัพพะในอังคุตรนิกายเอกาณิบาตพระองค์ก็สรรเสริญในเรื่องกสินเนี่ยนะเรื่องสรรเสริญปฐวีกสินอาโปกสินเป็นต้นพระองค์ชื่นชมมากเนี่ยนะเรียกว่าธรรมเอกเลยแหละเราเรียกว่าธรรมอันหนึ่งนะกสินแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เรียกว่าเป็นธรรมเอกที่พระองค์ก็สรรเสริญนะแต่ของเราทั้งหลายบางท่านเจริญไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะะมีตั้งเยอะแยะที่เราเจริญไม่ได้เรายังนับถือเลยใช่ไหม นี่ผ่านเราได้หรือยังทําไมเรานับถือล่ะเพราะฉะนั้นอาการที่เราทําไม่ได้แปลว่าไม่ใช่เราต้องเลิกไม่นับถือใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนก็ผู้ที่ปฏิบัติได้ก็เป็นความปฏิบัติดีของท่านแล้วเพราะหนึ่งท่านไม่มีนิวรกลุ่มรุมอะถ้าท่านเจริญกสิณได้ฉะนั้นคนที่ไม่มีนิวรกลุ่มรุมก็เป็นคนที่น่าเคารพอยู่แล้วล่ะเพราะเขาไม่แปดเปื้อนด้วยบาปด้วยอกุศลในขณะที่เข้าฌานทีนี้คนได้ฌานเหล่านั้นเนี่ยนะ ถ้าเข้าต่อด้วยอรูปฌานเพราะพวกนี้ขยายกสินถึงไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไม่ใส่ใจโดยกสินที่เรียกว่าเพิกก็เหลือแต่อากาศใช่ไหมช่องว่างๆเหมือนกับขยายภาพกสินให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเหมือนกับฉีกภาพกสินอันนั้นให้เหลือแต่อากาศแล้วเข้าอารมณ์มันนั้นก็จะได้อากาสารัญจายตนะะก็จะเข้าอากาสารัญจายตนะถ้าทําจนได้ฌานเมื่อมนสิการจิตอันนั้นก็จะเข้า วิญญาณัญญาเตนะโดยที่มีอาการสารัญญาเจตนะเป็นอารมณ์ไม่ใส่ใจในความเป็นจิตเจตสิกกล่าวว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีแล้วเข้าฌานได้ก็เป็นอากินจัญญายจตนะเป็นอารมณ์ถ้ากําหนดอากินจัญญายจตนะนั่นแหละจะกล่าวว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จนได้ฌานอันนั้นก็เป็นเนวะสัญญาณาสัญญายจตนะผู้ที่ได้อารูปฌานที่หนึ่งแล้วบรรลุ อรหันนะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์ได้รูปอรูปประชานที่สองได้อรูปประชานที่สองก็เรียกอุปโตวิมุตต์อุปโตภาควิมุตต์ได้อรูปประชานที่สาก็เรียกอุปโตภาควิมุตต์ได้อรูปประชานที่สี่แล้วเป็นธาหัฐานก็เรียกอุปโตภาควิมุตต์แต่ถ้าได้รูปประชานสี่แล้วบรรลุนะแค่รูปประชานสี่เรียกว่าเป็นอัญญาวิมุตต์พวกกายสักขีนั้นคือพวก อพระอริยะเบื้องล่างคือสโสดาบันสกท า, าคามีอนาคามีที่ได้อรูปฌานพวกนี้เรียกว่ากายสักขีบุคคลนะะพวกพอบรรูุเป็นผ้าราหารเรียกว่าอุปโตวิมุตต์นะอุปโตภาคาวิมุตต์มามาทำความรู้จักผ้าทหารกันนิดหนึ่งก่อนนะว่าผ้าทหารนี่มีสองประเภทหนึ่งปัญญาวิมุตต์กับอุปโตนะนะอุปโต พาคาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์มีอยู่ห้านะอุปโตภัณฑาฆวิมุตต์ก็มีห้ากลุ่มปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะห้าประการก็คือหนึ่งสุขาวิปสัสสกคือท่านเหล่านี้เจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่ได้ชานแม้แต่ชานเดียวก่อนหน้านี้นะไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้อุปจาระสมาธิแปลว่าท่านไม่ได้แม้ปฐมฌานก่อนหน้านี้เพราะกรรมฐานอะไรมาเลย แต่ท่านก็สามารถปฏิบัติจนบรรลุเป็นธารหันได้อย่างนี้เรียกว่าสุขาวิปสัสสกนี้หนึ่งนะสองผู้ที่ได้ปฐมฌานานนะได้ปฐมฌานเป็นบาทแล้วเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นธารหารันอย่างนี้ก็เรียกปัญญาวิมุตต์สามผู้ที่ได้ทุติยฌานเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรคนก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ข้อสี่ผู้ที่ได้ ตัติยฌา น, นนะเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เรียกปัญญาวิมุตต์ข้อห้าก็ผู้ที่ได้จะตุทชัชฌานนะแล้วพิเจารณ์วิปัสสนาจนก็บรรลุก็เรียกปัญญาวิมุตต์นั้นเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ท่าประเภท น, นะอันนี้เป็นชื่อสําหรับเรียกกับพระอรหันต์อย่างเดียว